Thank mm -hmm. you. ก็ได้พูดไปนะว่าอารมณ์อกุศลที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเราถ้าไปใช้วิธีกดข่มนะมันจะไม่ได้ผลเท่าไหร่อาจจะได้ผลชั่วคราวแล้วก็มีประโยชน์นในในบางช่วงเช่นเวลาโกรธใครแล้วเราเพียมกดข่มเอาไวไ้เพื่อจะได้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายอันนี้มีประโยชน์แต่ว่า ไอ้ความโกรธนะั่นมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะมันอาจจะซุกซ่อนอยู่มันอาจจะซุกซ่อนอยู่ลึกอยู่ลึกเลยถ้าว่าเราพยายามกดข่มมันด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่เนี่ยดูเหมือนมันหายไปที่จริงมันซุกซ่อนอยู่ข้างในแล้วมันก็รอรอที่จะโผลมาในเวลาที่เราเผลออันนี้ก็รวมถึงความคิดด้วยนะความคิดอย่างที่เราเมื่อวานเนี่ยความคิดเกี่ยวกับ อะไรก็ตามที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเราหรือเกี่ยวกับคนอื่นและถ้าเราพยายามกดมันเอาไว้เช่นกดข่มมันก่อนนอนตอนนอนนี่แหละที่มันจะโผล่มาพเพราะเป็นช่วงที่เราเผลอเป็นช่วงที่สติเราอ่อนมันจะโผล่มาตอนที่เรานะไม่ไม่ระวังนะมันฉลาดมากนะเราจะเล่นงานเป็นยังไงมันก็หลบ าเรดใช้วิธีกดข่มคล้ายๆกับดุติวิธีของคนที่ทำสงครามกองโจร น, นะนะมันมีหลักนะว่าเนี่ยมึงมาฆ่ามุดมึงหยุดฆ่าแย่มึงแย่ฆ่าตีมึงหนีฆ่าตามอันนี้พวกเป็นดุติของพวกทำสงครามกองโจรเวลาสู้กับรัฐบาลเนี่ยถารัฐบาลนี่มีกำลังเหนือกว่าก็ท้ามาก็มุดนะแต่ถ้าหยุดมาแล้วกูก็แย่มันนั่นแหละ ถ้าเผลอถ้าพรังนะก็โดนเร่งงานอารมณ์พวกนี้มันเป็นอย่างนั้นแหลนะตอนที่เรามีสติดีหรือว่ามีกำลังทางจิตดีกดข่มมันเอาไว้มันก็หลบแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนคอยโผล่และบางทีโผล่มาในลักษณะที่เราคาดไม่ถึงหรือไม่รู้ทันอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย อยากจะเป็นคนที่เกลียดสารพัดภูมิมากอาการนี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ตั้งแต่ยังเด็กนะแต่มันเกิดขึ้นตอนที่โตแล้วเห็นสารพระภูมิทีไรก็อยากจะเข้าไปทำลายแล้วแกก็ไม่รู้ว่าไม่เข้าใจาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเจอเป็นไม่ได้จะรู้สึกไม่ชอบรู้สึกเกลียดนะรู้สึกโกรธ แล้ววันหนึ่งก็ไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็แนะนําว่าให้เล่าประวัติของตัวเองให้ฟังแล้วแกเล่าไปถึงจุดหนึ่งก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เคยมีเรื่องมีปากมีเสียงกับพ่อพ่อก็ด่าว่าแกรุนแรงทั้งที่แกก็ไม่ได้ทําผิดอะไรมากจนกระทั่งถึงกับจะใช้กําลังตอนนั้นแกรู้สึกโกรธมากทั้งโกรธทั้งเกลียดพ่อแต่ว่า จากการที่แกเล่าเนี่ยนะมันทำให้รู้เลยว่าแกยอมรับตัวเองไม่ได้ยอมรับอารมณ์นี้ไม่ได้นะอารมณ์โกรธเกลียดพ่อพาอคนดีเนี่ยเขาไม่รู้สึกงั้นกับพ่อแล้เลยพยายามกดข่มเอาไว้แลวพยายามปฏิเสธความความรู้สึกแบบนี้เพราะมันไม่ใช่วิสัยของคนดีคนกตัญญูแล้วก็ดูมือว่ากดข่มได้นะ ไอ้ความรู้สึกโกรธเกลีดพ่อก็ไม่ไม่โผล่มาอีกเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นแต่ว่ามันไปโผล่ทางอื่นนะมันไม่โผล่มาในลักษณะของความโกรธเกลีดพ่อแต่มันไปโผล่ไปที่สารพระภูมิแทนมันไะปออกที่สารพระภูมิแทนนะเพราะสารพระภูมิเนี่ยเป็นตัวแทนของพ่อก็คือเป็นสิ่งที่น่าเคารพนะต้องยกไว้เหนือหัวหรือว่า เป็นสิ่งที่มีอำนาจนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าเวลาโกรธเกลียดแล้วก็ตามเนี่ยกดข่มมาไว้อาจจะได้ผลนะไม่มีความรู้สึกโกรธเกลียดพ่ออีกต่อไปแล้วแต่มันไปออกที่สามพระภูมิแสงมันไม่ได้หายไปไหนเลยและวิธีที่ต้องจัดการกับมันคือว่ายอมรับนะยอมรับว่าเรามีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นแม้มันจะเป็นความรู้สึกที่ทาให้ทุกข์ใจมากนะ มันทำให้มันสะเทือนอีโก้เนี่ยคนที่ติดดีเนี่ยจะมีความทุกข์มากที่พบว่าตัวมีความรู้สึกแบบนั้นกับผูประการีแต่ถ้าไม่เผชิญหน้าแล้วไม่ยอมรับกับมันเนี่ยอาจะกดข่มมันอยู่เรื่อยไปก็ไม่มีทางที่จะเยียวยาอาการนี้ได้เผชิญหน้ามันยอมรับมันหรือว่าวางใจเป็นกลางกับมันที่ว่ารู้สื่อ ก็คือว่าไม่ไม่ไปไม่ทําตามมันแล้วก็ไม่ไปต้านมันไม่กดข่มและโดยวิธเนี้ที่มันจะค่อยๆหายไปหายไปหายไปเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันมีจุดอ่อนคือว่ามันกลัวการถูกรู้ถูกเห็นหรือว่าการรู้ซื่อสื่อสติที่มันช่วยเยียวยาเนะเยียวยารักษาแผลในจิตใ จ, จได้หรือว่าแผลที่มันเกิดจากการที่สะสมเยอะเยอะ เ, เร้อรังน ไม่ใช่เฉพาะที่เกิดขึ้นชั่วครูช่ช่วยามหรือเฉพาะหน้าเท่านั้นมีผู้ชาคนหนึ่งจะเป็นคนที่หันมาสนใจการทําสมาธิแล้วก็ทาได้ดีด้วยจนกระท ง, งจิตสงบแต่มาอยู่คราวหนึ่งนะพอจิตมันสงบมากเนี่ยมันจะเห็นเป็นภาพในนิมิตเป็นภาพมือมืออย่างเดียวและมือข้างเดียวเลยพอแกเห็นภาพนี้ในนิมิตเนี่ย ทั้งโกรธทั้งกลัวเพราะมือเนี่ยมันคือมือของพ่อเป็นมือที่เคยตบเคยตีเข้าสมัยที่ยังเป็นเด็กนะทั้งกลัวเลยนะกลัวแล้วก็โกรธนะจกนกระทั่งนั่งสมาธิต่อไม่ได้ต้องเลิกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอนั่งสมาธิใจลายพอจิตมันดิ่งสงบนิ่งเนี่ยมันก็จะเห็นภาพเนี่ยแล้วก็จะกลัวมากโกรธ จนกระทั่ต้องเลิกนั่งมันไปต่อไม่ไหวเพราะว่ามันทําให้ย้อนและลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่พ่อเนี่ยเคยทุบเคยตีนะซ้ําแล้วซ้ําเล่าปีแล้วปีเล่ามันเป็นบาดแผลที่มันถูกฝังไว้นานแล้วก็ไม่อยากเลยลึกนึกถึงแต่พอมันถูกขุดคุยขึ้นมาจากภาพนิมิตเนี่ยมันก็เลยเกิดความทุกข์มากมือนก็ย้อนกลับเหมือนก็ย้อนกลับไปรู้สึก ตอเป็นอีกครั้งนึงทํานี้บ่อยๆแกก็ตกลงว่าไม่ไหวแล้วเลิกแล้วเลิกนั่งสมาธิจกว่าแต่พอเลิกนั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าไอ้นี่คงไม่ใช่วิธีการแก้ที่ถูกต้องมั้งแกก็เห็นว่าการนั่งสมาธิเป็นของดีนะแต่ถ้าจะเลิกนั่งเพราะเหตุ น, นี้มันก็ไม่ควรแล้วแกคิดว่ามันจะต้องผ่านจะต้องข้ามจุดนี้ไปให้ได้ไม่งั้นชาตินี้ทําสมาธิไม่ได้เลย แล้ววันหนึ่งแกก็ตั้งใจว่าแกจะไม่หนีแล้วไม่หนีภาพนิมิตนี้แล้วแล้วก็พอนั่งสมาธินะพอจิต ม, มันดิ่งนิ่งสงบมันก็มาละไอ้มือเนี่ยความรู้สึกเดิมๆกลับมาเนาะโกรธต้องเกลียดแต่ว่าอย่างที่แกได้ตั้งใจตั้งแต่ก่อนนั่งแล้วว่าเนี่ยจะจะข้ามมันไปให้ได้แล้แกก็เลยเนี่ยไม่หนีมันละพิจารณามันดูมันไป ดูมันไปบอกว่าไอ้มือที่แกเคยมองว่ามันเป็นมือที่กำลังจะตบแกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมือที่ตบนะมันเป็นมือที่กำลังขออะไรบางอย่างมือที่ตกกับมือที่ขอนี่ยมันใกล้ๆกันนะแต่มันต่างกันการที่แกพิจารณาดูจนพบว่านี่มันเป็นมือที่ขอเนี่ยพ่อขออะไรพอแกออกจากสมาธิแกก็พิจารณาถึงชีวิตที่ผ่านมาแกก็พบว่า อ๋อพ่อขอความรักพ่อขอความรักจากลูกคือเรื่อ ง, องเรื่องคือว่าพ่อเนี่ยเป็นพนักงานผู้น้อยนะในในหน่วยราชการหรือองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งแล้วก็คล้ายๆเป็นพวกเสมียนหรือพานโลงเนี่ยนะในที่ทํางานก็ถูกกดข่มนะถูกคนเขาดูถูกประนามยามเดือดนะพ่อก็เครียดคนพอถูกข่ม ที่หนึ่งนะมันก็ไปแสดงอำนาจอีกที่หนึ่งอันนี้ที่เป็นธรรมชาติเลยถูกคมที่ออฟฟิศนะมันก็ไปแสดงอำนาจกับคนที่อ่อนแอกว่าที่บ้านก็คือเมียและลูกนะความเครียดที่สะสมมาในที่ทำงานก็ไปออกที่บ้านนะก้าวร้าวด่าทอและตบตีแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ย พ่อก็ต้องการความรักเพราะว่าที่ทํางานเนี่ยมันไม่ได้เลยมันไม่ได้รับการยอมรับมันไม่ได้รับความรักก็หวังปรารถนาความรักจากที่บ้านแต่พฤติกรรมก้าวร้าวดูแลแบบนี้นเนี่ยมันทําให้พ่อไม่เคยได้รับความรักจากแม้กระทั่งเมียและลูกเลยเรื่องันนี้ก็ทําให้พ่อนี่ยิ่งทุกข์มากขึ้นแล้วก็กลายเป็นคนที่ก้าวร้าวเรียกว่ามันอยู่ในวงจรอุบาทนะอยากได้ความรักแต่ไม่ได้ ก็โกรธพอโกรธก็ยิ่งทําร้ายพอทําร้ายก็ยิ่งไม่ได้รับความรักวนอยู่งั้นแหละพอผู้ชายเนี่ยแกพิจารณาดูเนะี่ยแกก็สงสารพ่อขึ้นมาเข้าใจพ่อเลยทําไมพ่อ น, นี่ทําอย่างนั้นกับลูกและเมียเกิดเป็นความเห็นใจขึ้นมาแทมความเมตตาความสงสารก็มาและพอแกให้อภัยพ่อได้เนะหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ไอ้มือที่มาวิงวอนขอ มันก็หายไปจากการนั่งสมาธิและความรู้สึกโกรธเกลียดพ่อมันก็หายไปด้วยแผลที่มันดืดเยื่อเรือเ้อรังมาเป็นสิบสิบปีก็ค่อยๆได้รับการเยียวยาธรรมาชาติคนเราพอเจอเหตุการณ์แบบนี้นะหรือเจอภา่แบบนี้แล้วทำมันไปปลุกความรู้สึกที่เป็นลบขึ้นมาเนี่ยก็จะพยายามผลักไสพยายามกดขม่มแต่ถ้าทำงั้นเนี่ยไอแผลที่มันเคยมีมาแต่อดีตก็จะไม่รับการเยียวยากับจะ บาดลึกมากขึ้นหรือเลือดหลังมากขึ้นแต่ว่าเมื่อตามที่เราใช้สตินะไปะเผชิญกับมันยอมรับมันไม่กดข่มมันแค่ดูมันเฉยเฉยมันไม่ใช่แค่ใจสงบเท่านั้นนะบางทีอาจจะทำให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างที่ไม่เคยนึกมาก่อนก็คือเกิดความเข้าใจนะคนอีกคนหนึ่งซึ่งเราเคยเกลียดชังอันนี้คล้ายกับกรณีกรณีนึงนะ อันนี้เป็นเรื่องที่แจ็คคอนฟิวแกลเล่าแจ็คคอนฟิวนี่เป็นเป็นอาจารย์กรรมฐานชาวอเมริกันเคยมาบวชที่พมา่าแล้วก็เมืองไทยสวนโมกแล้วก็กับน้องน้องป้าพงก็เคยไปนะรู้เรื่องเกี่ยวกับพระไทยดีนะพระที่ทํากรรมฐานนะ่ะแล้วพอกลับไปอเมริกาพอศึกไปแล้วกลับไปอเมริกาก็ก็ตั้งสํานักเป็นสํานักกรรมฐานที่มีชื่อคราวนึงก็มีผู้หญิงคนนึงมา ปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สกับแกผู้หญิงคนนี้หน้าตานี่ดูเศร้าซ้อยแล้วก็มีความทุกข์มากเธอเพิ่งถูกแยกทางกับสามีสามีขอหย่ามันเป็นความเจ็บปวดมากนะเป็นความเจ็บปวดมากเพราะว่าเธอรู้สึกว่าเธอเนี่ยเป็นคนไม่มีค่ามันไปซ้ำมาไปย้ำรอยเดิมเพราะว่าตอนเธออายุสามขวบเนี่ย พ่อทิ้งเธอให้อยู่กับแม่แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวก็แย่อยู่แล้วนะพอเจอพอโตขึ้นแล้วมีสามีสามีทิ้งอีกมันก็ทำให้เธอสึกว่าเธอเป็นคนที่ไม่มีดีเลยไม่มีใครทนอยู่กับเธอได้เป็นคนที่ไร้ค่าเป็นคนที่ไม่น่ารักนะแม้แต่พ่อและผัวก็ไม่เอามันบาดเจ็บเจ็บปวดมากเนะียแต่ก็ยังดีที่ไม่แพนไปหาย่าไปหายา เข้าหาสมาธิแทนพอได้รับการแนะนำให้ให้ให้เจริญสตินะให้ยอมรับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอารมณ์ที่เศร้าโกรธแล้วก็รู้สึกไร้ค่าก็ทําให้สามารถจะผ่านอารมณ์เหล่านี้ไปได้คือเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปใครเด็กเก็ก็ได้รับคแนะนําให้แผ่เมตตาด้วยแผ่เมตตาให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกับตัวเอง นะเธอก็สุข ด, ดีขึ้นแต่ว่าบ่อยครั้งไอ้ความรู้สึกที่ย่ำแย่ความรู้สึกตัวเองไม่มีค่าไม่น่ารักเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะคบหาด้วยเนี่ยมันก็ยังรบกวนจิตใจเธอแนะจ็กคอนฟิลก็เลยแนะนำนะว่าให้เธอเนี่ยนะลองนะเมื่อเธอเนี่ยจิตเนี่ยนิ่งพอเนี่ยให้ลองย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่อายุสามขวบ ตอนที่พ่อทิ้งที่แรกเธอก็ไม่กล้านะเพราะว่ามันเจ็บปวดมากนะการถูกพ่อทิ้งเนี่ยมันเป็นบาดแผลที่ติดตัวมาตนโตนะจนอายุสามสิบแต่ว่าพอมีสติระดับหนึ่งเนี่ยก็มีความคิดว่ามันต้องก้าวข้ามตรงนี้ไปให้ได้และพอเธอนะพอเธอจิตนิ่งเนี่ยเธอก็ย้อนกลับไปรร้่สงเหตุการณ์สามขวบแล้วมันเห็นภาพเลยนะมันเห็นภาพเนี่ย เป็นภาพตัวเองอยู่บนบันไดขั้นสูงสุดแล้วก็มองลงมาเห็นพ่อกับแม่กําลังทะเลาะกันอย่างรุนแรงแล้วพ่อเนี่ยก็เก็บข้าวของออกจากบ้านไปโดยที่ไม่ไม่เงยหน้ามามองเธอเลยพ่อเนี่ยรู้ว่าลูกเนี่ยอยู่ข้างบนนะแต่พ่อทิ้งเธอไปโดยที่ไม่แม้แต่จะเหลียวมามองผมเจ็บปวดมากเลยนะเจ็บปวดมากมาสืึงว่าเนี่ยพ่อไม่รักเราเลยนะ ทิงเราไปโดยที่ไม่แม่แต่จะมาล่ําลาพ่อแกไล่จ็คแจ็คจ็คคอนฟิวฟังจ็ค ก, ก็บอกว่าเนี่ยไหนคุณลองนึกซะว่าลองนึกว่าตัวเองเป็นพ่อดูเสลองนึกว่าตัวเองเป็นพ่อเล้วเธอก็ทําตามเนาะและความรู้สึกหนึ่งมันก็เกิดบูบขึ้นมาว่าเนี่ยในความรู้สึกที่เป็นพ่อตอนนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าไม่สามารถจะมองหน้าลูกสาวได้เพราะว่า ทนไม่ได้ที่จะเห็นทนไม่ได้ที่จะจะจากบ้านนั้นไปนะถ้าหากว่ามองหน้าลูกสาวเพราะว่ารักลูกสาวมากนะแต่ว่าก็จะต้องไปจากที่นั่นจริงๆเพราะว่าอยู่ไม่ได้แล้วเพราะอยู่ที่บ้านเนี่ยนะตัวเองนี่ก็เป็นคนที่ไร้ค่าทําอะไรก็ไม่สําเร็จงานการก็ไม่ไม่ได้ทางานก็ไม่ได้เรื่องนะความสัมพันธ์กับทางบ้านก็แย่ ฉันรู้ว่าฉันต้องไปแล้วฉันทนอยู่ไม่ได้ถ้าฉันอยู่ต้องทั้งตายแน่แน่แต่จะจานมามองหน้าลูกฉันก็คงจะไปไม่ได้เหมือนกันเพราะฉันรักลูกเหลือเกินอันนี้คือสิ่งที่นะมันเป็นมันเป็นวูบของคําพูดนะที่มันเกิดขึ้นในใจของผู้หญิงคนเนี้ถึงตอนนั้นเธอรู้เลยว่าโอ้จริงๆเนี่ยพ่อทิงเธอไปโดยที่ไม่เหลียวมองนี่ไม่ใช่พ่อพ่อไม่รักเธอพ่อรักมากแต่พ่อรู้ว่าพ่อไม่สามารถจะสบตาเธอได้ ในบรรยากาศอย่างนั้นจําเป็นต้องไปนะถึงตอนนั้นเนี่ยเธอรู้แล้วว่าจริงพ่อรักเธอนะเธอไม่ใช่เป็นคนไร้ค่าเช่นที่พ่อก็ไม่เหลียวแลเพราะว่าความความโกรธความเกลียดหรือความรู้สึกนความโกรธเกลียดพ่อหรือความสึกน้อเยเนื้อต่ำใจในตัวเองมันหายไปเลยนะมันมป็นความสงสารพ่อพ่อเป็นคนอ่อนแอนะต้องหนีปัญหานะ แล้วก็ไม่สามารถที่จะสบตาเธอได้ด้วยซ้ําหลังจากนั้นเนี่ยความรู้สึกแย่แตัวเองไม่มีคุณค่าเนี่ยมันมันหายไปเลยมันจางไปจากจิตใจนะเพราะเพราะรู้แล้วเข้าใจแล้วนะรู้แล้วเข้าใจว่าพ่อไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นอย่างที่เคยนึกมาก่อนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเรื่องว่าเนี่ยเวลาคนหลายคนเนี่ยเขามีปมที่มันสะสมอยู่ในใจซึ่งส่วนหน่งเกิดจากการที่ไปกดข่มมันเอาไว้รวมทั้งการ ก า, การตีความในมุมมองของตัวหรือการเห็นแต่ด้านเดียวการที่เอาสติเนี่ยมาพิจารณาหรือมาดูเหตุการณ์ที่มันเคยทำให้เกิดความเจ็บปวดรวดราวเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้หลุดจากความรู้สึกนั้นได้บางคนจะสงสัยว่าเอ้ไอการที่ย้อนกลับไปดีเนี่ยมันจะดีหรือครูเจ้าก็บอกว่า บูคนไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอารายการตัดการที่ไปนึกถึงอดีตซึ่งมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะถูกเริ่มมันจะเป็นวิธีการที่ชาวผู้เราควรจะทำหรือที่จริงถ้ามันเป็นอดีตนะถ้าเป็นอดีตจริงๆก็ก็ถูกแล้วที่ควรจะปล่อยวางแต่ว่าในกรณีอย่างนี้มันไม่ใช่อดีตหรอกมันยังเป็นแผลมันยังเป็นแผลที่ยังยังสดอยู่ หรือถึงแม้เป็นแผลเลื้อดลังนะัมันก็ยังเป็นแผลที่ยังทำความเจ็บปวดอยู่จะร่วมเป็นอดีตรหรือไม่เนี่ยจะจะ daring, ร่วบปล่อยวางหรือไม่ก็ดูจากการที่ว่ารเรานึกถึงเหตุการณ์นั้นเรารู้สึกอย่างไรถ้าเรารู้สึกเฉยเฉยแสดงว่าเร า, เราปล่อยวางแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกเจ็บปวดจนทํำไม่อยาก Gary. นึกถึงมันแสดงว่ามันยังไม่ใช่อดีตมันยังเป็นปัจจุบันเหตุการณ์อดีตแต่ว่าแผลนี่เป็นแผลในปัจจุบันเป็นแผลสดหรือแผลเลื้อดลังก็แล้วแต่ เหมือนกับว่าเราเดินไปเหยียบ้ําเนี่ยเดินไปเหยียบ้ําเมื่ออาทิตย์แล้วมันผ่านไปแล้วนะแต่ว่าน้ํามันยังคาอยู่ในอยู่ในเท้าอะเป็นแผลเนี่ยแต่เท่าไรเจ็บทุกทีจริงเดียวที่ต้องทําคือว่าดึงหนามนั้นออกเอาเสียนออกมาจากแผลให้ได้ต้องใช้ความกล้าแล้วและต้องเจ็บปวดแต่ว่าพอเอาออกแล้วมันก็จะหายกลายเป็นแผลเป็นพอเป็นแผลเป็นนั้นแต่เท่าไหร่ก็ไม่เจ็บล้ว อันนั่นหละแสงว่าเราปล่อยวางแล้วมันกลับไปอดีตไปแล้วมันไม่มีเสี้ยนต่าท้ายต่อไปคนส่วนใหญ่หนึ่งจงปล่อยให้เสี้ยนมันต่ําเจ็บต่ำจิตใจอยู่นะอันต้องต้องหาทางทําให้เสี้ยมันออกมาและที่ยังเสี้ยมยังต่ำอยู่เพราะว่าปฏิเสธมันผักสายมันกดข่มมันนะพราะไม่ชอบเนี่ยมันก็เลยคอยทิ่มแทงคอยรบกวนจิตใจนะนั่นก็ต้องจัดการนะดยการที่ย้อนกลับไป กลับไปนึกถึงเหตุการณ์แล้วเผชิญกับมันรวมทั้งไปยอมรับเพื่อที่เราจะได้ยอมรับมันมองมันด้วยใจที่เป็นกลางซึ่งม่ททำให้เราได้เห็นแง่มุมบางอย่างด้วยซ้ำนะพอใจเป็นกลางเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจคนบางคนที่เราเคยโกรธเคยเกลียดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไห้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้พอเห็นอีกมุมหนึ่งนะมันหลุดได้เหมือนกันได้ความโกรธความเกลียนดะ คล้ายกับเวลาเรากําลังซื้อของหรือกําลังเดินอยู่บนถนนเนี่ยมีคนมาชนเราอย่างแรงเลยแบบแรกเนี่ยก็คือโกรธแต่พอเราเหลือไปมองแล้วพบ ว, ว่าเขาตาบอดนะมันหลุดเลยนะมันให้ภัยเลยไม่มีกรัต่อไปหรือเพราพรว่าเขาเมาเหล้านะหรือเขาเป็นคนบ้าเนี่ยไอความกลัวความเปรียดมันหายไปเลยเพราะอะไรเพราะเข้าใจเขา พอเข้าใจแล้วก็สงสารให้อภัยได้แต่ถ้าเราไม่เหลวไม่เหลวกลับไปมองนะก็ยังโกรธอยู่นะสติมันคือมัน ก, ก็การที่เราเหลวกลับไปมองเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วก็ทำให้ได้เห็นว่าอ๋จริงๆเขาไม่ได้เป็นคนแย่คนเลวนะเป็นแต่ ว, ว่าเขามีข้อจำกัดนะเขาตาบอดเขาเป็นบ้าเขาเมาเหล้าน่าเห็นใจการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคน บางคนที่เราโกรธเราเกลียดเนี่ยบางทีมันทําให้เราเนี่ยหายหายโกรธหายเกลียดไม่ใช่เฉพาะ บ, บุคคลอย่างเดียวนะเหตุการณ์ด้วยเหตุการณ์เนี่ยบางทีเหตุการณ์บางอย่างมันตอกย้าซ้ําเติมให้เรารู้สึกเจ็บปวดแต่พอเรามองมาในมุมใหม่เรากลับพบว่าโอ้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ดีนะอย่างบางครั้งเนี่ยเนี่ยอย่า ง, อ ย, าง อ, อย่างอาจารย์ประมวลเพลงจันเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เคยไปเรียน ปริญญาเอกที่ประเทศอินเดียตั้งแต่เป็นพระตอนไปเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกที่นั่นเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดขมขื่นมากนะกับผู้คนแล้วก็เหตุการณ์ที่นั่นบางครั้งก็ร้องไห้แล้วก็พอกลับมาเมืองไทยก็เหมือนกับว่าสาปส่งนะสาปส่งอินเดียว่าต่อไปนี้ฉันไม่ไม่กลับไปอีกแล้วนึกถึงทีไรก็รู้สึกแย่ แต่ผ่านไปยี่สิบปีสามสิบปีเนี่ยพอกลับไปมองเหตุการณ์นั้นหมายพบว่าโอ้มันมีประโยชน์มันมีส่วนในการก่อร่างสร้างตัวเราขึ้นมานนถ้าไม่ได้ไปเจอเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยชีวิตมันคงจะไปอีกทางหนึ่งเกิดรู้สึกขอบคุณเหตุการณ์นั้นอยากจะขอบคุณนะว่าถ้าไม่เจอเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยเราไม่เป็นอย่างที่เราเป็นทุกวันนี้หรอกพอนึกถึงเหตุการณ์นั้นคราวนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่สึกแย่แล้ว ไม่รู้สึกอยากผักสแล้วมันมีแต่ความซาบซึ้งเพราะอะไรเพราะมุมมองเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เหมือนอย่างตัวอย่างอที่ลอยฟังเนี่ยพอมุมมองเกี่ยวกับพ่อเปลี่ยนไปนี่มันมันหลุดเลยนะความโกรธความเกลียดหรือแม้กระทั่งความสึกแยกกับตัวเองอันนี้เรียกว่าความเข้าใจความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เราหลุดจากความทุกข์ได้และความรู้เข้าใจเนี่ย หรือปัญญาผมก็เกิดขึ้นจากการที่เรามีสติมีสติเข้าไปดูก็ไปประชิญกับมันแล้วทันทีที่ยอมรับมันได้ยอมรับมันได้มันก็หลุดนะไอ้ที่มันยังเป็นเสี่ยนนะฝังเท้าอยู่หรือว่ายังเป็นยังเป็นเหตุการณ์ที่คอยโบยตีจิตใจเราหรือทําให้เรามีอาการผิดเพีย้ยนอย่างเช่นคนที่ไปคนที่โกรธพ่อไม่ได้ก็ไปเกลียดสามพระพุแทนเนี่ยอันนี้พราะเขา ไม่สามารถยอมรับตัวเองหรือไม่ไม่สามารถยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้แต่อย่างที่บอกแต่วันแรกนะคนเราทุกข์เพราะไม่ยอมรับเหตุการณ์มันจะเลวร้ายแค่ไหนเนี่ยมันไม่สําคัญทั้งว่าเรายอมรับมันได้หรือเปล่าแม้จะเป็นเหตุการณ์เล็กน้อยแต่ถ้าเรายอมรับไม่ได้เราปฏิเสธผักสายเราทุกทันทีแต่เหตุการณ์จะใหญ่โตแค่ไหนพอเรายอมรับได้มันหลุดเลยนะมันวางเลยและการที่ยอมรับได้ก็เพราะสติและปัญญา ปัญญานี้หมายถึงความรู้ความเข้าใจนะที่รู้ว่าโหเข้าใจผิดมาตลอดเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนอื่นและเกี่ยวกับตัวเองพอเข้าใจถูกขึ้นมานี่มันมันหลุดเลยมันเบามันสบายเพราะฉะนั้นเลยสตินี่มันมันไม่เพียงแต่ช่วยรักษาใจไม่ให้อารมณ์อกุศลเข้ามาครอบงาําย่ํายีจิตใจเท่านั้นแต่ยังสามารถช่วยเยียวยาบาดแผลที่เกิดจากอารมณ์ ที่สะสมในอดีตด้วยหรือว่าที่เกิดจากเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตมันช่วยเยียวยาได้ขอเพียงแต่เราต้องกล้าเผชิญกับมันนะแล้วก็มองมันด้วยความสึกที่เป็นกลางนะไม่ใช่ผักใสมันไม่ใช่ตัดไม่ใช่ปฏิเสธมันนะเราจะเป็นกลางต่ออารมณ์หรือเหตุการณ์ใดหรือไม่ก็ดูไดจากกา้จากการที่ว่าเราพอนึกถึงมันแล้วรู้สึกยังไง ถ้านึกถึงแล้วยังหวั่นไหวยังรู้สึกโกรธยังรู้สึกแย่อันนี้แสดงว่าเรายังเรายังยังยึดมันอยู่ยังแบกมันอยู่หรือปล่อยให้มันซุกซ่อนอยู่ในใจชิมแทงจิตใจต้องกล้าที่จะเผชิญกับมันนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันอารมณ์พวกนี้เนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นนานแค่ไหนมันมันดื้อด้านก็จริงนะกดข่มเท่าไหร่มันก็หาทางซุกซ่อนตนได้แต่มัน มีจุดอ่อนคือมันกลัวการถูกรู้ถูกเห็นนะมันพ่แพ้ต่อการเห็นด้วยสติมองด้วยใจที่เป็นกลางนะันต้องแต่ว่ามันก็ยากนะ ถ, ถ้าสติเราอ่อนนะนึกถึงทีไรจิตเราก็ถูกดูดเข้าไปทุกทีเพราะสติยังอ่อนแทนที่จะเห็นก็เข้าไปเป็นทุกทีแทนที่จะเห็นก็เข้าไปเป็นทุกทีนะแทนที่เห็นความปวดก็เป็นผู้ปวดทุกที จนกว่าสติเราจะมีกำลังนะไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทาให้จิตใจเนี่ยมันมันอ่อนแอรหรือว่าวัานไวไปตามอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ที่มันจะดูดจิตของเรานะเข้าไปไปเป็นผู้เป็นแต่สติทาให้จิตใจเราตั้งมั่นแล้วก็ดนะูด้วยความรู้สึกที่เป็นกลางและตรงนี้เชื่อเยวยาได้นะ มันไม่ใช่แค่เฉพา ะ, ะ, ะความรู้สึกโกรธความรู้สึกเกลียดนะความรู้สึกเศร้าฉะนั้นแม้กรทั่งความรู้สึกผิดด้วยมันก็เป็นแผลที่ทำร้ายจิตใจคนเหมือนกันมีบางคนเนี่ยนะเวลาเวลาเจอก็อเจอเป็ดเนี่ยหรือเวลาเห็นก็เจอเป็ดเนี่ยนะจะจะรังเกียจมากจะไม่อยากพูดไม่อยากนึกถึงก็เจอเป็ดนะเดีา ว, ว่าจะกินเลยแต่ก่อนไม่เป็นนะ มาเป็นตอนไหนมาเป็นหลังที่หลังจากที่พ่อเสียชีวิตพ่อเนี่ยตอนที่ป่วยเนี่ยที่ถึงก็ไม่ได้ป่วยมากนะชิรเล็กก็ดูมันไม่ป่วยมากแต่ว่านอนอยู่ที่นอนอยู่ที่บ้านลูกชายก็ดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างพ่อห่วงเที่ยววันหนึ่งพ่อก็บอกว่าช่วยไปหาซื้อขวดเติร์ปมาให้ พ, อ, หพอกินหน่อยนะด้ยความที่เป็นวัยรุ่นห่วงเล่นนะอย่าไปเที่ยวเพื่อนก็ ปฏิเสธไม่ไปบอกว่าพ่อก็เสียชีวิตวันนั้นเนียแกเสียใจมากเลยว่าเนี่ยรอไปลวกกระตันอยู่แต่แมแม่แต่พ่อเนี่ยขอให้ซื้อกลยเตี๋ยวเป็ดยังไม่ไปเลยพ่อเห็นแกเล่นมันเป็นความรู้สึกผิดที่ติดค้างใจมากให้ เ, เวลาเจอกล้วยเตียวเป็ดนเนี่นะแกเกลียดมากไม่อยากพูดไม่อยากนึกถึงเพราะมันช่วยให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองเนี่ยเคยทําผิดครั้งมหัน ในความสูงเขานะเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากนะไม่สามารถจะทําสนองความต้องการงพ่อในวรนสุดท้ายของชีวิตได้อันนี้เป็นพ่อและเพราะว่าแกไม่สามารถจะยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถจะยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ความรู้สึกผิดเห็นทีไรรู้สึกผิดทุกทีก็เลยไม่อยากเห็นไม่อยากนึกไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงการกินก็จะเป็นไอ้แบบนี้เป็นแผลนะจะเป็นแพ้ตอลอดชีวิตถ้าไม่ได้เผชิญไม่ได้เยียวยา และการเดียวยาคือการใช้สติเข้ามาหลายคนเขาบางคนนี่เขาใช้วิธีการที่ว่าย้อนกลับไปเรื่ึกถึงเหตุการณ์นั้นนะแล้วก็เผชิญกับความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นรวมทั้งเขียนนะเขียนเขียนจดหมายถึงพ่อเขียนไม่พอเชิญพ่อมาด้วยเชิญพ่อมาแล้วก็บอกขอโทษพ่อยอมรับว่าผิดแนะขอโทษพ่อในจินตนาการนะปรากฏว่ามันคลี่คลายได้คลี่คลายความรู้สึกผิดกับพ่อกันน้อยลง ความสึกเกลียดชังก้อยทุบเป็ดก็ค่อยๆซา ล, ลงไปเพราะว่ามันรลุละหลุดจากอารมณ์ละเพราะว่ากล้าที่จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ในอดีตรวมทั้งความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นอันนี้ต้องใช้สตินะถ้าไม่ไม่ใช้สตินี่มันก็จะกดคมอย่างเดียวมันจะหนีอย่เรื่อยไปสติมันทําให้ใจกล้ากล้าที่จะเผชิญและคนที่กล้าที่จะเผชิญหน้าที่มันจะหลุดจากอารมณ์นั้นได้เพราะอย่างที่บอกนะอารมณ์พวกนี้มันมันกลัวการถูกลู่ถูกเห็นหรือว่าการ การรู้ด้สตินั้นถ้าเราใช้สติแล้วก็มีสติที่แก้วกล้าที่เข้มแข็งพอเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราหลุดจากอารมณ์ที่ไปได้ในที่สุดแล้วก็เกิดความสุขสงบเย็นในจิตใจอย่างน้อยก็ระดับหนึ่งอาชานี่ ก, กันเเ่านี้นะกรบาบครบ